ท่านผู้ฟังที่เคารพคนเมืองเหนือนี่เค้าเคารพบูชาพระพุทธรูปองค์เป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับที่ มีพ่อค้าคนหนึ่งมีอาชีพขายเครื่องหอมได้ให้สัญญากับพระธีระรูปหนึ่งว่า อันนี้ลูกคนโตคนแรกนี่ต้องให้ช่วยดูแลทรัพย์สินแต่พอภรรยาคลอดลูกชายคนว่าลูกคนโตน่ะให้มันอยู่เฝ้าร้านลูกคนที่ 2 นี่ให้ออกไปเก็บหนี้ ตั้งชื่อว่าอุปคุตแต่ว่าผู้ที่เป็นพ่อก็กลับแกล้งลืมสัญญา พอแก่ชราลงก็มอบกิจการค้าทั้งหมด แล้วก็สนทนาธรรมกับอุปคุตจนอุปคุตเนี่ย ไม่รู้จะหาวิธีพูดบ่ายเบี่ยง พระมหาอัสสมานาจารย์วัดโพธิมีข้อความ ทรงเห็นว่างานสมโภชพระมหาธาตุนี้เป็น สามารถต่อสู้ป้องกันอันตรายจากพญามารเวลานั้นมีพญานาคตัวหนึ่งขึ้นมาจากบาดาล เสียงลมกระพือปีกดังสะนั่นก็ทํา พญานาคก็ร้องขอวิงวอนพระภิกษุไปทุกรูปทุก เธอจะช่วยป้องกันอันตรายให้พญา ตก็บอกว่าตกลงครับเดี๋ยวกับผมจะช่วยจะก็อือเน้นสามเณร อธิษฐานให้บังเกิดลมพายุอันร้ายแรง การกระทําอย่างเนี้ยนับว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควรเธอควรจะต้องถูกลง 7 ปี 7 เดือน 7 วันท่านเกรงว่า กระทำอันตรายในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเธอจงช่วยป้องกันอันตรายในครั้งนี้กิริตอันนี้แหละเป็นทันทกรรมที่พระภิกษุสงฆ์จะลงโทษแก่ได้ถ้าหากผมเห็นพระภิกษุ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะพอใจมั้ยครับแล้วก็ เราไม่สามารถหาภิกษุผู้มีอิทธิฤทธิ์ พระผู้เป็นเจ้ารูปนั้นมีนามว่าพระกีสานาอุปคุตเถระแม้ เป็นทูตก็ใช้อภิญญาดำดินลงไป ก็ทรงถวายนมัสการพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ตรัส พระเถระก็ยกมือชี้ไปที่พระอุปคุตพร้อมกับถวายเอพระ จะมีอานุภาพสามารถป้องกันอันตรายได้จริงหรือจากนั้นก็ทรงนมัสการลาพระ พระเจ้าอโสฆแต่ว่าเป็นช้างต้นที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดีมหาราศกษท Lucaric Yum สั่งในขวานช้างให้เตรียมปล่อยช้างตกมันแต่ว่าเป็นช้างต้นที่ได้รับการฟืกหัดมายังดี ช้างพระที่นั่งออกแผ่เสียงโกลจนาทก็วิ่ง ขอให้ช้างนี้จงกลายร่างเป็น อานุภาพของพระมหาเถระชั่งมหาสัจจันท์แท้ ช้างพระที่นั่งนั้นขอจงมีความสุขแล้วก็ พยายามจะพอใจจะส่งเสริมแต่เรื่องชั่วๆทางทำลายพิธีงานบุญ พญามารก็บันดาลฤทธิ์ใหม่อาวุธตกมาเป็นหาฝนตกมีซ้ายกรดเป็นห่าฝนมี ก็เลยนิรามิดหมาเน่าแขวนคอพญามานไว้แล้วก็อธิษฐานว่าไม่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเป็นเทวดาพระอินทร์พระงานสมโภชพญามานมีหมาเน่าผูก เดินผ่อืดประอมสมสารไปหาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ช่วยท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ก็แก้ไม่สําเร็จแกก็ไปหาเทวดาองค์อื่นๆจนกระทั่งถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็อธิบายให้พญามานฟังว่าเราท่าน ต้องจำใจกลับมาหาพระอุปคุตเสร็จแล้วก็ 7 ปี 7 เดือน 7 วันนะให้เท่ากับ เมื่องานฉลองผ่านพ้นไปแล้วพระอุปคุตเถระก็ เพื่อการตรัสรู้ขอข้าพเจ้าจงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจงยงเอ่อยกโทษแก่ เพราะกล่าวเหตุผลต่างๆให้พญามารช่วยเนรมิตตนเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชมเป็น ห관 ตาก็ขอ ขอท่านจงเนรมิตกายของท่านเป็นสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาการทั้งปวงพร้อมทั้งพระอัครสาวกทั้งคู่ๆ พระอุปคุตท่านก็ปฏิญาณว่าอาตมาจะไม่ถวายนมัสการจะเพียงแต่ขอชมเฉยๆเท่านั้นเบื้องหน้าชายป่านั้นก็มีพระอรหันต์กลุ่มหนึ่งเดินออกมาที่จริงเป็นพญามารน่ะบริวารแปลงร่างมาโดยมีพญามารสวัสดิ์สวัสดี ก็บังเกิดผลลุกชูชันด้วยอํานาจของศัตธาประสาทลืมคําบัติยานที่ให้ไว้แก่พยามาณก็ก้มกายลงกราบพระพุทธเจ้าที่พื้นโทรณีด้วยมหิตธานุภาพของพระอุปคุธทันทีที่ประหัสท้งสองข้างกราบถึงพื้นโทรณี ชีวประวัติของพระอุปคุตเถระผู้มีอิทธิฤทธิ์ตามตำนานไม่ได้ ใครที่ได้ใส่บาตรจะพระอุปคุตก็จะมีโชค ได้มีศรัทธาพม่าขออนุญาตต่อเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เพื่อจะขออาศัยสร้างวัดเพื่อบำเพ็ญ ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และคณะศรัทธาวัดอุปคุตไทยก็ติดต่อขอที่ดินวัดอุปคุตพม่ามามา สำหรับจัดตั้งพุทธสถานขึ้นก็เห็นทำเลที่ตั้งวัดอุปคุตพม่าเดิมน่ะเหมาะสมที่สุดก็เลยใช้สถาน ผมมีเรื่องจริงๆจะเล่าให้ฟังอยู่เรื่องเกี่ยวกับผีกระสางเนี่ยครับท่านผู้ฟังคือเรื่องผีที่มีผู้ประสบพบเห็นแล้วก็สัมผัสมาแล้วเนี่ยจะปรากฏหลายภาวะเช่นว่าเห็นเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆเป็นคนก็มี ในจํานวนนี้มีพระคุณเจ้า 2500 ที่บ้านครูๆอยู่ใกล้กับ ยายเข้าไปอาศัยอยู่กับครอบครัวอยู่กันด้วยความ แล้วเสียงเคาะใต้ถุนก็ยังได้ยินอยู่ ที่ทําให้เกิดเสียงประหลาดนั้นคราวนี้ครูพันและทุกคนในครอบครัวก็นึกไปถึงผีทันทีเพราะถ้าไม่ใช่ผีมาเคาะใต้ถุน เสียงเคาะก๊อกๆดังขึ้นเมื่อไหร่ก็สะดุ้งสุดตัวกันเมื่อนั้นต้องมานอนรวมกันเป็นกระจุกในห้องเดียวกันเรื่องผีมาเคาะใต้ถุนบ้านคูพันธ์เนี่ยก็ถูกเอาไปเล่าให้ เพื่อนบ้านหลายคนก็มาที่บ้านครูพันตอนกลางคืนก็นั่งคอยๆๆเป็น เช่นบอกเคาะสัก 5 ทีซิมก็ดัง 5 รูปานลองทําบุญเลี้ยงพระเป็นงานใหญ่ที่บ้านแล้วอุทิศส่วนกุศลหนึ่งก็ และนับแต่นั้นเสียงเคาะที่ใต้ถุนบ้านครูพันก็เงียบหายไปไม่ปรากฏขึ้นอีกเลยคือก็นิมนต์พระมหาวิชัยไปเยี่ยมแลแล 2500 ไว้ ไอ้เรื่องมีวิญญาณสิงสู่อยู่ในวัตถุอย่างเช่นสิงอยู่ในท่อนก็เห็นมี บางครั้งก็มีสติพูดจ๋ารู้เรื่องรู้ราวดีบางครั้งก็อาราวาดร้องโวยวายแทบว่าจะต้องล่ามโซ่เอาไว้เมียรดน้ํามนต์พระอาจารย์ท่านก็เมตตารดให้แล้วก็บอกว่าถูกผี อาการวิปริตผิดปกติของผู้ชายคนนั้นก็